6. สุราเมระยะวักหนสุราปานศสิกขาบท170ภิกษุดื่มน้ำเมาต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะดื่มต้องอาบัตทุกกฎ 2. ดื่มต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆุกคราวที่ดื่มเข้าไป 2. อังคุลิปะโตทกะสิกขาบท ภิกษุใช้นิ้วมือจี้ภิกษุให้หัวเราะต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. นึกำลังจี้ให้หัวเราะต้องอาบัตทุกกดเพราะพยายาม 2. เมื่อให้หัวเราะแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสามหัสสะธรรมะศิกขาบทภิกษุเล่นน้ำต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. เล่นในน้ําตื้นใต้ข้อเทา้าต้องอาบัตดทุกกฎ 2. เล่นในน้ําลึกพอท่วมข้อเทา้าต้องอาบัตดปาจิตตีสี่อนาธริยาสิกขาบทภิกษุไม่เอื้อเฟื้อต้องอาบัดสองอย่างคือ 1. กําลังไม่เอื้อเฟื้อต้องอาบัตดทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อไม่เอื้อเฟื้อแล้ว ต้องอาบัตปาจิตตีห้าพิงสาปะนะสิกขาบทภิกษุทําให้ภิกษุตกใจต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังทําให้ตกใจต้องอาบัติทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อทําให้ตกใจแล้วต้องอาบัตปาจิตตีหกโชติกะสิกขาบท ภิกษุก่อไฟผิงต้องอาบัดสองอย่างคือ 1. กํากำลังก่อต้องอาบัดทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อก่อเสร็จแล้วต้องอาบัดปาจิตตีเจนหานะสิกขาบทภิกษุยังไม่ถึงครึ่งเดือนอาบน้ำต้องอาบัดสองอย่างคือ 1. กํากำลังอาบต้องอาบัดทุกก เพราะพยายาม 2. เมื่ออาบเสร็จต้องอาบัดปาจิตตี 8. ทุพพันณะกรณะสิกขาบทภิกษุไม่ใช้วัตถุที่ทำให้เสียสีสามชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งมาทำให้เสียสีแล้วใช้สอยจีวรใหม่ต้องอาบัดสองอย่างคือ 1. กําลังใช้สอยต้องอาบัดทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อใช้สอยแล้วต้องอาบัตปาจิตตี 9. วิกับปณะสิกขาบทภิกษุวิกับจีวรด้วยตนเองแก่ภิกษุหรือแก่ภิกษุณีหรือแก่สิกขมานาหรือแก่สามเณรหรือแก่สามเณรีแล้วใช้สอยจีวรที่ยังไม่ได้ปัดจุดทอนต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. นึกำลังใช้สอยต้องอาบัดทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อใช้สอยแล้วต้องอาบัดปาจิตติส 10. จีวระอ ป, ปะนิธานะสิกขาบทภิกษุเอาบาดหรือจีวรผ้าปูนั่งกล่องเข็มหรือประคดเอวของภิกษุไปซ่อนต้องอาบัดสองอย่างคือ 1. กำลังเอาไปซ่อนต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายามสองเมื่อเอาไปซ่อนแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสุราเมรยวักที่หกจบ